พระไตรปิดกฉบับประชาชนเล่มที่ส3าพระสูตรที่ส4มมทุรสูตรสูตรว่าด้วยพระเจ้ามทุรราชอวันตีบุตรพระมหากจานะอยู่ในป่าไม้คุณทาพระเจ้ามทุรราชอวันตีบุตรเข้าไปหาตรัสถามถึงเรื่องที่พวกพรามถือว่าวันนพรามประเสริฐสุดวันนอื่นเลว วันนะพรามขาววันนะอื่นดำวันนะพรามบริสุทธิ์วันนะอื่นไม่บริสุทธิ์วันนะพรามเป็นบุตรของกรมเกิดจากปากกรมอันพระพรมสร้างสรรเป็นพรห ม, มทาญาติพระเถระตอบว่าเป็นเพียงคำอวดอ้างเท่านั้นแล้วได้อธิบายว่าวันนะใดมั่งมีวันนะอื่นก็ยอมเป็นคนรับใช้ ซึ่งทำให้พระเจ้ามธทุรราชยอมรับว่าวันณะทั้งสี่เสมอกันพระเถระอธิบายต่อไปว่าวันณะใดประพฤติ ช, ชั่วทางกายวาจาใจวันณะนั้นเมื่อตายไปก็เข้าถึงอบายทุกติวินิบาทนรกเสมอกันวันณะใดเว้นจากประพฤติ ช, ชั่วทางกายวาจาใจวันณะนั้น เมื่อตายไปก็เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เหมือนกันวันณใดประพฤติผิดเช่นตัดช่องปล้นสะดมล่วงเกินภริยาผู้อื่นวันณ น, นั้นก็ต้องถูกลงโทษเสมอกันวันณใดออกบวชก็มีผู้อภิวาทต้อนรับนิมนต์ให้นั่งบนอาสนะนิมนต์ให้รับปัจจัยศีหรือได้รับความคุ้มครองอันเป็นธรรมเสมอกัน พระเจ้ามาทุราราชตรัสสรรเสริญพระธรรมเทศนาถามถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าประทับณที่ไหนเมื่อทรงทราบว่าปรินิพานแล้วจึงตรัสว่าถ้าทรงทราบว่ายังทรงพระชนอยู่ก็จะเสด็จไปเฝ้าแม้ไกลถึงร้อยโยต์แต่เพราะปรินิพานแล้วจึงได้แต่ประกาศพระองค์เป็นอุบาสกถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะตลอดพระชนชีพ